ว, วันนี้หลวงพ่อเองเห็นคณ า, าธาญาติโยมลูกหลานมาจากสมุดสาครหลวงพ่อฟองที่นั่งเนี่ยที่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยข้างๆหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เคยมาอยู่ที่นี่แต่หลวงพ่อก็ไม่รู้จักที่แรกเพราท่านมาจากที่ไหนท่านก็อยู่แบ บ, บเงียบๆของท่านหลวงพ่อก็ไม่ได้สืบสอบประวัติของแต่ละองค์คือมาจากที่นู่นที่นี่แล้วเออตั้งใจภาวนาน呐ะ พะวัดหลวงพ่อก็มีพระมากแต่ละปีนี่ก็3ามสี่องค์ปีนี้ก็มีสาสิบหรูปแต่ละปีก็มีทั้งสี่สิกว่ารูปก็มีหน้าแรงก็ไม่ต่ำกว่ายีสหรือส0สบองค์อันนี้ก็คือที่วัดของหลวงพ่อที่อยู่ป่ารงพงไพแต่ถึงยังไงก็ยังมีพระมีพระอยู่ไม่เคยขาดอันนี้ก็คือเนี่ยหลวงตาฟองเนี่ยท่านก็มาอยู่ที่นี่อยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ ผูดอบรมพระเนนให้อยู่ในกฎให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในวินัยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะว่าชีวิตของหลวงพ่อเนี่ยเป็นชีวิตของพระป่ามาโดยตลอดก็ว่าได้ก็ไม่น่าจะผิดชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังในไว้ในพระพุทธศาสนาเกือบตั้งแต่ว่าวันรู้รู้เรียงสาภาวะาจะพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดอีกเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อบวชเป็นสมมาเนร อยู่กับหลวงปู่ล่าตั้งแต่อายุสิบเปีปี 2,500 ที่หลวงพ่อบวชเป็นสมณีนลูกหลานบางคนก็ยังไม่เกิดอีกต่างหากนะเนี่ยหลวงพ่อบวชเป็นสมณีนปี2500แล้วก็อยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลา9ปีจ า, าปปจากนั้นก็บวชเป็นพระปี08ออกจากนั่นก็ มาอยู่กับหลวงปู่จามหลวงอาจามพวกเราคงจะเคยเห็นอันนั้นหลวงปู่จามมันคือหลวงอาของหลวงพ่อเป็นน้องชายพ่อของหลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ร้อยร้อยเกือบจะร้อยสองปีแล้วหลวงปู่จามนะท่านยังมีชีวิตอยู่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไปจําบรรษานน่นขึ้นไปจำบรรษากับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี25งพสจากนั้นก็ลงมาก็จําบรรษากับหลวงอาจามอีก จากนั้นก็ได้มาจำพรรษาที่วัดหลวงตามหาบัวปี2512จนถึง2525 25, จึงได้ย้ายออกจากกาบออกจากหลวงตามาจำพรรษาอยู่ที่นี่และเอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2525 25, ปีนี้ก็2553ลูกหลานนับข้อมือดูกันแล้วกันว่าชีวิตของหลวงพ่อนี่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนายือนนานสักเท่าไหร่ ถ้าเป็นพระก่อ4 5รษาปีนี้นะ4 5 0ษาบวกเนนแปดอีกและก็ชีวิตของหลวงพ่อ66ค่ะแปลว่าชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะปีระยะยาวนานทีเดียวค่ะแต่ในคณะทตา ญ, ญาติโยมลูกหลานก็คงจะถามมาเออหลวงพ่อเสียใจไหมที่ได้ฝากฝังชีวิตทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อภาคภูมิใจอย่างมาก เกิดว่าเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่เตรียมเปลี่ยมที่สุดเป็นที่ชาติที่สมบูรณ์ที่สุดไม่ได้ทํากรรมชั่วเสียหายอะไรมากเป็นชาติที่ได้ประพฤติตนกายวาจาใจมากที่สุดที่ว่าเป็นพระก็เป็นพระกรรมฐานอีกต่างหากในการเล่าเรียนศึกษาหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เรียนปริยัตินักธรรมตรีโทเอกเออกชั้นภูมิครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าทนก็เอา เอาตำรับตำราเอาพระไตรปิฎกเอาหนังสือมาให้ศึกษาหลวงพ่อก็ศึกษาย่ใิปานรงพงไพรจากนั้นก็ศึกษาเรื่องภาคปฏิบัติมากกว่าพอรู้แนวทางที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติช้มากกว่าไม่ได้มีมาหาป ร, ริญญาเขารมตรีโทเอกหลวงพ่อไม่ได้เรียนแต่ถ้าหากว่าในเรื่องการศึกษาเหลอหลวงพ่อคิดว่าไม่ได้อยแก ใครใครองค์ใดเหมือนกันเรื่องพระไตรปิฎกที่ได้คคนคว้าศึกษาเพราะว่าหนังสือเกือบทุกเล่มหลวงพ่อก็ได้ผ่านตาหรือว่าได้ศึกษาพอสมควรเรื่องฝ่ายปริยัตนะแต่ว่าเรื่องบาลีเรื่องแปลนั้นหลวงพ่อยอมรับว่าไม่ได้เรียนทางแปลนะแต่เนื้อหาสาระความหมายในพระไตรปิฎกหลวงพ่อได้ศึกษาอันนี้แหละคือชีวิตของหลวงพอ่อเพราะนั้นคณะสัตยาติยม ลูกหลานทั้งหลายอยากจะทราบว่าในแนวความคิดที่หลวงพ่อฝากฝังทั้งชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนานั้นหลวงพ่อมีความมีความรู้สึกอย่างไรมีความรึกถึงอย่างไรมีความเห็นอย่างไรอันนี้ต้องมีความเห็นแล้วนะที่นี่นะหลวงพ่อต้องมีความเห็นเป็นส่วนตัวอย่างมากๆหลวงพ่อเนี่ยชีวิตของพระของหลวงพ่อเนี่ยที่บวชในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เป็นสมันเนีจนถึงขนาดนี้ลหละหลวงพ่อเน่มั่นใจและเกินว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปปูนคุณโทษมีจริงพ่อหลวงพ่อเชื่อในใครเชื่อในตำรับตำราก็ใช่แต่เชื่อในภาคปฏิบัติของตนเองอีกส่วนหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาที่ท่านออกจากเปียงวัง ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินออกจากเวียงวังไปบวชอยู่ในป่าเสียสละออกจากเวียงวังไปอยู่ป่าถึงหกปีไปค้นคว้าศึกษาถึงหปีวันเดือนหกเพนเป็นวันสูตรสาเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุในวันนั้นคือวันเดือนหกเพนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุอะไรเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าไปในวันเดือนหกเพนนั้นท่านนั่งสมาธิ ที่ท่านได้ตัดสรุปคือท่านนั่งสมาธิท่านไปศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องของใจคือเรื่องของนามธรรมเรื่องของการตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญทําไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกจากเวียงวังอันนี้ก็พวกเราก็ควรจะศึกษาอีกเหมือนกันถ้าคนอยู่ดีๆแล้วมีความสุขแล้วจะคิดไปห น, นีออกจากบ้านตัวเองจะคิดไปได้หรือถ้าคนไม่มีความรู้สึกนึกคิดในจิตในใจ อันนี้พระพุทธเจ้าท่านมีความรู้สึกนึกคิดในใจว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายตระกูลของพระ อ, องค์น่ไปไหนหมดสวรรค์นคตหมดตายหมดพูดง่ายง่ายและจะเรียงลำดับลำดับลงมาจนถึงพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็ไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอีกต่างหากก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องการหนีออกจากเบี่ยงวังไปเห็นคนตายแล้วะเนท่านจะว่าท่านก็พิจารณาด้วยแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหน ถ้ามนุษยชาติเป็นอย่างนี้จากนั้นท่านก็เห็นสมณะคือนักบวชนั่งอยู่ตามลำพังอยู่โคลนต้นไม้นั่งขัดสมาธิท่านไปเห็นสมมณะแล้วท่านก็บอกอึ่งถ้าเราอยู่ในเวียงวงังคงไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงหนทางที่จะา้นทุกขนะ์น่ะคงจะไม่มีโอกาสที่จะคิดหาทางที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกหรือว่าทางที่จะไม่ตายนั่นนะเราคงไม่มีโอกาส ที่เราเห็นเนี่ยแก่เจ็บตายเนี่ยมันทนทุกทรมานเห็นคนแก่แล้วเป็นยังไงตาฝ้าฟังผมขาวหลังค่อมหนังเหี่ยวหูตึงฟันไม่มีมันน่าทุเรศขนาดไหนความแก่และเห็นคนเจ็บอีกแล้วก็เห็นคนตายอีกเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกลีหนีพ้นจากความแก่เจ็บตายไปได้ถ้าเราไม่ตายง่ายอันนี้แหละคือท่านพระ อ, องค์พบศสิทธัตถะท่านได้คุณคิด ที่ท่านก่อนที่จะท่านนี้ออกจากเวียงวังจากนัานท่านเขาไปเห็นสัมมณะอย่างที่ว่าเออสัมมณะนี่คงจะเป็นช่องทางที่จะหนีออกจากทางพ้นทุกได้เพราะว่าไม่มีภาระเกี่ยวข้องท่านอยู่ตามลาพังนั่งค้นคิดอยู่ตามลำพังอันนี้คงจะมีโอกาสคือเรื่องอะไรก็ตามถ้าคิดในรายละเอียดถ้าเราไปคิดในที่สารบนญวุ่นวายที่ ไม่สงบที่คุกคลีตีโมงนั้นจะคิดหาช่องหาทางออกจากเรื่องต่างๆแล้วคงคิดไม่ได้ต้องไปนั่งคิดอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังอันนี้สมณะนะท่านนี้ท่านไปนั่งคิดอยู่ในป่าเราคงจะหาโอกาสอย่างนี้นี่แหละคือชิต ธ, ธะโพธิสัตท์ที่ท่านคิดจากนั้นท่านก็ได้หนีออกจากเบียงวงังพอออกจากเบียงวางแล้วก็ท่านก็ทรงไปทรงผนวด ลักษณะเป็นนักบวชองค์หนึ่งอยู่ในป่าเป็นเวลาหกปีคนควาศึกษาลองผิดลองถูกองถูกลองผิดอดพระกาหารก็อย่างที่พวกเราได้ศึกษาได้ฟังอดถึง4ี่วันเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากนั้นก็บำเพ็ญมากมายลหลายหลาอย่างในพุทธประวัติแต่วันเดือนหกเพ็ญวันที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นคือวันสูตรสาเร็จในวันนั้นพระพุทธองค์ทาอย่างไร ในนี้พวกเราน่าจะศึกษาจากนั้นพระ อ, องค์วันสุดสาเร็จในวันนั้นพระ อ, องค์นั่งอยู่ตามลำพังนายโสธิยะได้นำยาคาผ่านมานายโสธิยะเห็นสิทธะนั่งอยู่ตามลาพังก็ได้นำยาคาแปดกำมือเข้าไปถวายสิทธะท่านก็ได้ยาคาแปดกำมือท่านก็เอามาเกลี่ยลงในพื้นแผ่นดิน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 นี่ให้ฟังเอาไว้เนะีคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่คือที่ท่านได้ตัดรู้ในวันนั้นจากนั้นใจของพองค์พระไทยของพระองค์ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตแต่ก่อนที่นั่งก่อนที่ขึ้นไปนั่งจะขัดสมาธินั้นแต่ท่านก็บอกว่าพยามารพยามานและเสนามานนางตันหาราคาอรดีมาลบกวนมาแย่งบัลลังก์พระพุทธเจ้า แต่อันนั้นคือเป็นปุคคลาธิฐานทำ ม, มาทิฐานให้เข้าว่าการ ม, มาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหานางราคาอารดีนั่นคืออะไรพระ อ, องค์คงขึ้นไปนั่งบนอาสนะนั้นคงจะคิดหวนทบทวนไปถึงอดีตที่ผ่านผ่านมาและนะ้วน่ะคือกิเลสราคาโทสะที่เป็นตัวย่อโยนจิตใจของพระ อ, องค์คงจะมีเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายพระไทยของพระ อ, องค์ในยุค ก่อนที่ตัดสู้ก็คงจะไม่แพ้พวกเราเหมือนกันจากนั้นพระองค์ได้ตั้งจิตอันแน่วแน่ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่หวนกลับจะเอาชนะใจที่คิดไปในทางกิเลสราคะโทสะโมหานั้นท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่จากนั้นจึงว่ามีเมตตาคือน้ำแม่ธรณีบิดม้วยผมลงมาจากนั้นพระองค์ก็เป็นผู้ชนะมารทั้งปวงจากนั้นพระองค์ก็นั่ง สมาธิในขณะที่จิตพระ อ, องค์เข้าสู่ความสงบนั้นในตำรับตำราท่านบอกว่าพระอาทิต ย, ตตยจจจจต์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังไม่อจจดงฮะไม่อจจดงคือว่าไม่ตกดินยังไม่ตกดินจิตใจพระไทยของพระ อ, องค์รวมเข้าสู่ความสงบจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดย า, าณทัศนะเกิดฌานในขณะที่จิตรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอันว่า ฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตไม่รวมเป็นสมาธิะก่อนจะไม่เกิดฌานเมื่อจิตรวมก็เป็นสมาธิแล้วเกิดญาณันะเกิดฌานพอเกิดฌ า, านพระองค์น้อมจิตระลึกถึงชาติผลหลังปุเพในวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไว้เลยว่าในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์บอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้ามีวันนี้วันเดียวพระพุทธองค์จะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไร อันนี้มีชาติทุนหลังจากับพระองค์ละลึกชาติทุนหลังเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินี่แหละอันนด้ว่าปุเพในวาสานุสติยานคือตอนหัวค่าพอต่อมาอีกพระ อ, องค์ก็ได้ตรัสรู้ธรรมอีกในอีระยะที่ตอนเที่ยงคืนน ว, วจุตูปปาตาญาณการจุติของสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณหรือ ว, ว่าใจของแต่ละคนแต่ละท่านน่ยแต่ละวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหน พระองค์ก็รู้ได้ด้วยพระองค์เองอีกว่าการเป็นมาและการเป็นไปนั้นเป็นไปเพราะอะไรเพราะพระองค์ก็รู้ว่ากรรมคือการกระทําถ้าว่าผูา้ใดทํากรรมดีมาเกิดที่นี่ก็ดีทําเมื่อทํากรรมที่นี่ดีไปเกิดที่หน้าก็ดีถ้าว่าทํากรรมชั่วในอดีตมามาเกิดที่นี่ก็ไม่ดีถ้าทํากรรมชั่วแถมก็อีกออกไปชาติหน้าก็ไม่ดีเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วให้ผล คือเป็ญาณหรือใจของพวกเราท่านทั้งหลายพระพรทธอง์รู้แล้วว่ากรรมคือการกระทําเป็นไปด้วยกรรมถ้าเราทํากรรมดีแล้วกรรมดีนั่นจะตามสนองถ้าทํากรรมชั่วนั้นกรรมชั่วนั่นจะตามสนองเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าอัคตังทุกตังเสยโยปัชฌาตปติทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลเป็นทุกข์เมื่อภายหลังต้องทางจงทําแต่กรรมดี ถ้าทำกรรมดีและกรรมดีจะให้ผลเป็นสุขตลอดไปนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายสัตว์ทาติโยมทุกท่า น, า น, า น, านให้ศึกษาในธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมองดูว่าวิญญาณแลใจของคนเนี่ยไม่ศูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปุลคุณโทษมีทีนี้มาพูดถึงองค์หลวงปู่มั่นของเราเท่เนี่คือต้นตระกูลของพระกรรมฐานท่านก็แนะนําสั่งสอนทั่วประเทศ อย่างพวกเราอยู่ที่นี่อย่างที่ขวามือของหลวงพ่อที่ภูเขาน้ำตกยุงทองเนี่ยเราคาดคิดไหมสมัยนั้นเมื่อแปดสิบเก้าสิบปีให้หลังหลวงปู่มั่นท่านมาอยู่ที่หลังเขาภูเขาแถบนี้น่ะที่เขาห่างนิดประมาณไม่ถึงสิบกิโลจากที่นี่ไปนี่แหละเราคาดคิดไหมแต่สมัยนั้นในประวัติของท่านว่าเต็มไปด้วยเสือพวกช้างพวกเสือเต็มไปหมดในที่นี้ เพราะเป็นป่ารงพงไพยนี่แหละอันนี้หลวงปู่มั่นท่านทำไมท่านจึงมาท่านทำไมไม่อยู่กับที่เพราะท่านเสาะแสวงหาความสงบป่ารงพงไพ่ไหนท่านก็จะตะพายบาดแบกกลดขึ้นไปอยู่ตามพามตามหลังเขาป่าดงที่น่ากลัวจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็ได้นั่งภาวนาทำจิตใจของท่านให้สงบเมื่อจิตใจสงบนั้นแล้วท่านเกิดนี่แหละพิธีการทาอย่างไร แต่หลวงปู่มั่นท่านมีวิธีการของท่านว่าเวลาภาวนากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่พระพุทธ้าท่านได้แั่รู้ธรรมนั้นพวกเรานี่เป็นลูกหลานยังปุถุชนยังคิดใจยังวอกแวกอยู่ควรจะสำทับหายใจเข้าพุดหายใจออกโถเพราะนั้นท่านึให้หลวงปูมงป่มั่นสายหลวงปู่มั่นท่านว่าเวลาภาวนาให้นั่งสมาธิแล้วให้บริกรรมว่าหายใจเข้าพุด ให้ใจออกโถให้มีพุทโธด้วยเป็นเครื่องสัำนับในจิตใจเพื่อไม่ให้จิตใจของเราคิดปรุงฟงุ้งซ่านแล้วก็เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วจิตใจก็จะรวมเป็นหนึ่งเมื่อรวมเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่ากายกับใจนี่เป็นคนละอ่านกันมันก็จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกายกับใจเป็นคนละอย่างกันคนละอ่านกันกายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน ถ้าเราจะเปรียบเทียบให้ชัดเจนกว่าร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจเนเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่รถเสียรถมันเสียใจมะที่มันเสียสายพานมันขาดลูกสูบมันแตกหม้อน้ํามันรั่วอย่างไงรถมันเสียใจมะรถไม่เสียใจแต่ใครเป็นคนเสียใจเจ้าของรถใช่ไหมเจ้าของรถเป็นคนเสียใจเจ้าของรถตอตรงเดินล้อมรอบรถอยู่อย่างนั้นล่ะเพราะอะไรรถมันก็ไม่รู้อะไร เนี่คงเหมือนการร่างกายของเราก่อนลักษณะเหมือนกับรถนั่นแหะพวกเราจะเลี้ยงทะลุถนอมขนาดไหนก็เถอะนะอาหารดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหนหาผ้านทุงหมให้ดีขนาดไหนยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนให้มันกินหาที่อยู่พักพ้าอาศัยสร้างให้หรูหราโออ่าขนาดไหนให้ร่างกายได้อยู่ร่างกายนี่ก็ยังแก่เจ็บตายในที่สุดสรุปแล้วคือเลี้ยงไม่เชื่อง เพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านว่ากายเนี่ยถึงจะเลี้ยงขนาดไหนแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นต้องดูใจอย่าไปหลงกายอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกเราให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ากายกับใจอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันเดียวกันเพราะนั้นเมื่อร่างกายแตกไปแล้ว ใจจะต้องออกจากร่างนี้ไปเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ดูให้ดีว่ากายกับใจนั้น เ, เป็นคนละอ่านกันเพราะฉนั้นกรรมาฐานลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นพวกนักปฏิบัติทั้งหลายท่านจะรู้ได้โดยตนเองว่าเมื่อท่านภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบแล้วกายกับใจอาศัยกันอยู่กายนะั้นแตกตายสลายแน่แต่ส่วนจิตใจคือนามธรรมานะั้นไม่ตายปฏิสนธิ ตัวผู้รู้รู้อยู่ในนี้ตัวนี้จะไม่ตายออกจากร่างนี้ก็ไปปฏิสนธิไปด้วยอะไรไปด้วยกรรมคือการกระทำถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะพาไปสู่ทุกขติถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีน่าจะไปสู่สุกขติถ้าเราละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เป็นอริยะบุคคลตามขั้นตอนพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาพระอระหรันนี่แหละคืออะไรเป็นพระอระหรัน ไม่ใช่กายเป็นพระอรหันต์กายเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองใจเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไปค้นคว้าศึกษาดูแลธรรมะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ามโนปุพังขมาธรรมมามโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องของใจมากกว่าอย่างอื่นเรื่องกายนั้นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าอะไรเป็นพระพุทธเจ้า พระไทยด้วยใจของพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่ส่วนร่างกายก็เป็นร่างกายของพระพุทธเจ้ากุติวิหารวัดวาศาสนาก็เป็นของพระพุทธเจ้าพระบิดามัรดาก็เป็นของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าวัาใจของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายถ้าเราเป็นพระรหัน์ในใจเท่านั้นละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระรหันไปด้วย ให้เข้าว่าเป็นบริวารของพระอรหันต์คือใจของท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะททายาิโยมทุกคนนะหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องของใจเรื่องจิตวิญญาณใจดวงนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นพวกเราให้สังสมขุนงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สู่นรกสวรรค์มีจริงถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วน่าจะตามพวกเราไป ถ้าพวกเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะพาพวกเราไปสู่สุขคติตามขั้นตอนเ่อพวกเราทํากรรมขนาดไหนถ้าเราพวกเรามีบุญในจิตในใจสั่งสมบุญกุศลเข้าไปในจิตในใจแล้วคนมีบุญจะไปนักสถานที่ใดก็เหมือนกับคนมีเงินคนมีเงินอยู่ในประเทศชาติก็ร่มเย็ยนเป็นสุขจับใจใช้สอยอะไรก็ได้ไปต่างประเทศจับ่ายใช้สอยอะไรก็ได้เพราะคนมีเงินแต่คน เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วคิดว่าตายแล้วศูญไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีเกิดมาแล้วก็ไม่ได้สังสมคุณงามความดีเที่ยวตลอนตลอนขี่รถคันนี้ไปเลยพอรถคันนี้แตกเท่านั้นแหละทียนรถคันนี้พังเพราะอายุแก่นะ่ะตายพอรถตายเทนี้แหละดวงวิญญาณไม่ได้คิดว่าจะตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสู์นะมีแต่เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้สสแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจพวกเราคิดดูกันแล้วกันว่า เมื่อคนไม่มีบุญและจะทำยังไงออกจากรถคันนี้อาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ช้างมา้าวัวควายเป็นสัตว์ติดอาชีพไปก็ได้เพอเพอถ้าทำกรรมชั่วเข้าไปอีกแถมตกนรกไปเป็นเปรตอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้คิดสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกท่านที่เกิดมาพบน้ชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้า ได้ยินได้ฟังธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดในหนังสือในเทบใน MP3 มากมายพวกเราได้ศึกษากรขอให้พวกเราเป็นคนดีมีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ให้พวกเรานับดูกันแล้วกันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้อายุของเราเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีใครประกันได้ว่าอายุ ห้าสบหกสิบปีซะก่อนข้าพระเจ้าจึงจะตายหายใจไม่เข้าแล้วก็ตายหายใจไม่ออกแล้วก็ตายมีเพียงแค่นั้นชีวิตของมนุษย์เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาป บ, บุญคุณโทษมีจริงพระพุทธศาสนาพพุทธเจ้าได้ค้นคว้าศึกษาแล้วเมื่อตายไปแล้วนั่นเราจะไปไปที่ไหนถ้าเรามีบุญเราก็มั่นใจในตัวเองว่า ข้าพเจ้าได้สั่งสมคุณงามความดีมาพอประมาณแล้วเป็นที่พอใจและเป็นที่อบ่นแล้วแต่ถ้าว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สั่งคุณงามความดีนั้นอย่าไปชะล่าใจนะข้ารัทกาญาติโยมนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวสมณนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเพราะพวกลูกหลานก็มีเวลาน้อยที่จะต้องไปสู่วัดวาศาสนา ไปวัดวาอื่นๆ อ, อ, อีกเพื่อทำบุญแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อจะมีแจกหนังสือเป็นของขวัญแจกหนังสือธรรมะให้แก่คณะทา ย, ยาทโยมโดยหลวงพ่อเตรียมไว้ประมาณ200กว่าทราบะปร ะ, ะมาณ200กว่าหลวงพ่อเออให้พระเตรียมไว้จัก250นะการพูดวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาทุกประการเทิน